คือหนูอยากถามว่าเวลาที่หนูปฏิบัติธรรมอะคะ่ะท่านสมาธิหนูจะเห็นเป็นสีขาวหมดเลยอะคะ่ะทั้งที่หนูไม่ได้เพ่งอะคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะหนูเพ่งโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะคะ่ะตัวสีขาวนั้นเป็นนิมิตนะทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยไม่สําคัญสําคัญทือว่าเห็นแล้วพอใจหรือไม่พอใจมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นกับจิตให้ดูตัวนี้สงสัยว่ามันคืออะไรนะตรงนี้เรียกว่าอะไรนะแค่สงสัยขึ้นมาเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงละเรื่องราวมันไม่ใช่แค่สีขาวแล้วมันมีเรื่องในเกิดขึ้นในจิตแล้วคราวนี้ย้อนมาดูที่จิตเข้าใจหมค่ะแล้วหนูก็หนูอยากฟังธรรมจากองคุทธเจ้าสักครั้งหนึงอะคะ่ะหนูอยากรู้ว่าต้องทําบุญอย่างไรถึงจะได้ไปเกิดชาติพระศรีอา น, นะคะตั้งจิตอธิษฐานทําบุญทําบุญอะไรทุกครั้งเลยบุญเนี่ยเรียกว่ามีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาทําบุญในสาม สส่วนนี่ยนะส่วนใดส่วนหนึ่งทุกครั้งที่ทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาตั้งจิตในฐานขอไปพบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งครั้งหน้าขอบคุณค่ะถ้าทำบุญไว้ดีพอก็จะสมปรานาก็มีนะบางคนอยากจะเจอพพุทธเจ้าก่อนอยากจะชมบารมีท่าน mm hmm. ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าถ้ามีบุญพอ มันตั้งปรารถนาแล้วเนี่ยต้องทำบุญด้วยคือต้องจริงๆโดยหลักแล้วต้องทำบุญก่อนแล้วตั้งจิตปรารถนาเหมือนกับภาษาวกต่างๆที่เป็นเอตตะทะะในด้านต่างๆเนี่ยเห็นพระษาวกในองค์ก่อนๆเนี่ยนะกับพุทธเจ้าองค์ก่อนๆๆเนี่ยเห็นสาวกองนั้นน่าชอบใจยังไม่ยังไม่บอกความปรารถนาให้กับพระุทธเจ้าฟังด้วยนะทำบุญก่อนทำบุญเจ็ดวันทำบุญเสร็จแล้วจึงจะ ตั้งความปรารถนาให้พระพุทธเจ้าได้ทราบว่าก็หมอมฉันขอได้เป็นอย่างองค์นั้นน่ะต้องทําบุญก่อนทําถ้าความปรารถนานั้นใหญ่ต้องทําบุญใหญ่ถ้าทําความปรารถนาเล็กๆน้อยๆก็ทําบุญตามสมควรการเรียนถามเรื่องเรื่องนิพพานที่ว่ามีอยู่สองแบบะนะคะแบบแรกก็คือจิตนิพพานในขณะที่มีชั้นห้ากับ อันอันพอจะเข้าใจ น, นะคะก็หมายถึงพระอาหารหันต์ที่ท่านนิพพานได้จิตนิพพานแต่ว่าขันห้าท่านยังอยู่ใช่ไหมคะก็นี้แบบที่สองก็คือจิตนิพพานเมื่อหมดขันห้าใช่ไหมคะอั น, นอันนี้อืมหมายความว่าการเข้าสู่นิพพานในขณะที่ละที่ไม่มีที่ละขันแล้วซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งหมายถึงว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันใช่ไหมคะคือจิตนิพพานในขณะนั้นตอนที่ใกล้ที่จะใกล้ที่จะ ละขันห้าเลยอย่างงั้นหรือเปล่าคะหรือว่านิพานแบบแรกเนี่ยจเ<า>ะเป็นนิพานอย่างที่ท่าน <S 2> 2 <S เห็นท่านเห็นนิพานตั้งแต่ยังไม่ตายพูดภาษาชาวบ้านนะะ เ, เห็นนิพานตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วแล้ ว, ลวถ้าท่านเข้าสมาบัติได้ท่านจะเข้าเข้าเรียกว่าอะไรนิโรธสมาบัตนิโรธสมาบัติเนี่ยมันจะดับสัญญาและเวทนาจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยตานิโรธ ดับสัญญาและเวทนามันก็เหมือนกับว่าเข้าไปเข้าไปอยู่กับนิพพานเหมือนกับตอนที่ทิ้งขันแต่ว่ามันยังไม่ทิ้งจริงยังจะกลับมามีชีวิตอยู่แสดงว่าแบบที่หนึ่งที่ว่าจิตนิพพานแต่ยังมีขันห้าเมื่อละขันห้าแล้วก็จะกลายเป็นแบบที่สองไปงใช่โดยโดยอัตโนมัติเพราะ ท่านไม่ยึดขันแล้วแต่ที่ยังดำรงขันอยู่เนี่ยเป็นไปตามวิบากที่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วมีขันแล้ ว, แ ล, วแล้วจะมีไหมคะประเภทที่ว่าสามารถจะเข้านิพพานได้ในขณะที่จิต ด, ดับสุดท้ายเลยอันนั้ น, นเรียกว่าชีวิ ต, ตะสมะสีสี ค, คือตลอดมาเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหรันตลอดชีวิตมาเนี่ยไม่ได้เป็นพระอรหรันมาเป็นพระอรหันตอนจะตายเพราะต้องเป็นอรหันก่อนนะไม่จะตายแล้วเป็นอรหันนะ ตายแล้วเป็นอาหารเนี่ยไม่มีต้องเป็นอาหารก่อนแล้วตายเป็นลำดับกันนะเป็นอาหารแล้วตายแสดงว่าท่านเข้าแบบสองเป็นเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ทันได้มีชีวิตอยู่เป็นพระอาหารแบบอะไรสักอุปาทิเสสนิพานเป็นอาหารแล้วตายเลยก็เป็นอนุปาทิเสสนิพานค่ะขอบคุณค่ะ